มีใครอยากจะถามไหมคุณศรีสุรานว่าไงเมื่อกี้ฟังรู้เรื่องไหมจำชัดมากค่ะคุณสวเขาชอบดีมากเลยค่ะฉันรอมาทั่วชั่วชีวิตพื่อจะไม่ได้ยินอยู่อังกฤษนะก็ก็ไม่มีใครบอกเอมาแป๊ะเดียนได้หมดทั้งตับเลยเอามจริงมันก็มีอยู่แล้วมันอยู่มันอยู่ในหนังสือแล้วเพียงแต่เราไม่สามารถแปลความหมายต้องออกมาว่าอะไรเป็นอะไรต้องพูดกับอาจารย์ คือคนต้องปฏิบัติต้องเห็นแล้วลอเือนทางยาถึงจะทำถูกอทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปปฏิบัติได้ไหมเท่านั้นนะชะ่ตอนนี้เราังทำเคร่งเครียดมากนะตั้งแต่เมื่อเช้านี้จนวันไม่ได้ไปทําอะไรเลยนั่งกับฟังก็เลยทําให้จิตใจเนี่ยซาบซึ้งเข้าไปแล้วทำสมาธิดีมากออันนี้มีปัญหาอยู่ยัง ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องทำสมาธิอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่เป็นคาาวานนั่นแหละต้องปีกเว่ยเวงคนที่จะปฏิบัติให้ได้ผลจริงจริงเพราะอยู่กับคนก็ต้องมีเรื่องมีราเป็นธรรมดาเขาก็ต้องการที่จะหาความสุขทางร่างกายกันทางตาหูจมูกนิ้วกายเออ ถ้าเราไม่ร่วมกับเขาเขาก็เริ่มสงสัยว่าเราเพี้ยนไปนะเรารเราบอกทำไมไม่มาเราสนุกกันมนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเราก็อย่างนั้นะเพื่อนมาชวนเราก็ปฏิเสธไปเขาก็เสียใจเขาก็ไม่เข้าใจไอ้เราก็เสียใจเพราะเราก็อยากไปใจหนึ่งก็อยากจะไปแต่รู้ว่าไปแล้วมันก็เหมือนเดิมก็เลยต้องสื่อว่าอยู่คนเดียวดีกว่าภาวนาดีกว่าไปสังสรรค์ อันนั้นทุกมากนะเพราะว่าเวลาจิตใจมันยังไม่ได้หลักไม่ได้เก่งมันยังถูกความอยากพยายามฉุดกระชากลากไปแล้วเราต้องสู้กับมันเนี่ยมันทรมานใจมากแต่ต้องคิดว่ามันเป็นทางที่จะนําไปสู่ความสงบในที่สุดถ้าเราชนะมันต่อไปมันก็จะไม่สามารถลากเร า, า, าไปได้ถ้าเราปล่อยให้มันลากไปมันก็จะลากเร า, าไปเรื่อยๆเพราะพวกเขาเป็นตัวกิเลย ก็อย่าไปว่าผู้เขาเป็นเกลียเดี๋ยวมันจะนเดี๋ยว เ, ะะเดี๋ยมันจะกลายเป็นว่าเราวิเศษกับเขาดีกว่าครับางนี้ว่าเราไปคนละทางดีกว่า ค, คือว่าไ<ะ>ปาที่ไปพบกันนานก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากจะเกลีย์ น, ยนะถยงได้พูดได้ <c oughs> <c oughs> แต่นี้ถ้าเราจะแบบว่ารักษาล้าใจกันก็จะอาจจะมีการบอกว่าฉันไปไม่ว่าไปทํามันจะเป็นการโกหกซึ่งบาปของทัศน ถ้ามันเป็นกุศโลบายก็ไม่บาปอะเป็นกุศโลบายนะถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อปกปิดความชั่วของเราเราพูดเพื่อทำรักทาให้รักษาน้ําใจเขาให้เขาสบายใจแล้วเราก็สบายใจเรามีเวลาไปปฏิบัติของเราแต่ทางที่ดีมันก็มันต้องเขาก็ต้องรู้สักวันเงี่ยว่าเราโกหกเขาทางที่ดีก็อย่าไปโกหกพูดไปตรงตรงจะไปแล้วจะไปทางนีแล้วขอโทษด้วย ตอนนี้ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกประทับใจอยากจะไปกับพระพุทธเจ้ามากกว่าไปกับพวกเธอแล้อายุมันก็ก้มากแล้วหรือเท่าไหร่นะคะใช่ผู้ไปตรงๆเนี่ยไม่ต้องก้หรอกนะไออาทิตย์ก็สองสามวันนะไปกรุงเทพใช่ก็โอ้โหกี่ชั่วโมงบินนะเนี่ยกี่ชั่วโมง เสียไปเออเสียไปการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องมันก็จะล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆต้องมาต่ออีกทีออนะมาเริ่มต้นใหม่มันมันตั้งตั้งหลักใหม่เวลากลับมามเรออออียงพยายามปฏิบัติให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันมีใครมารบ ก, กวนมานอกจากเมเหตุจําเป็นจริงๆเกี่ยวกับคนที่มีพกคุณกับเราหรืออะไรอย่างนี้ที่เราจะต้องไปอย่างก็ค่อยไป แต่ถ้าไปเพื่อสนุกสนานเฮฮาอย่าไปดี่เล่าอาจารย์อยากถามว่าเวลาปฏิบัตินี่ยครับแล้วก็นำเอาไว้กดไปรักเนี่ยมาพิจารณาเหมือนที่ท่านได้อธิบายผู้ที่ถามท่านเนี่ยครับคือว่าเราปฏิบัติเนี่ย คำว่ากดไตรักเนี่ยแปลว่าให้เรารู้อยู่ในจิตของเราเำว่ารู้หมายว่ามันต้องไปสนใจทข้างนอกจะรู้อตอยขณะในขณะจิตของเราใช่ไหมครับว่าเวลาเนี้ยสูตรว่าเรานั่งสมาธิอนี้นะครับแล้วเราออกจากสมาธิแล้เนี่ยให้เราพิจารณาว่าเออตอนเนี้ยจิตเรากําลังจะเกิดตัวคือมันมนุษย์เนี่ยมันจะมีความอยากเป็นเป็นปกติอยูอ่ตลอดเวลา นี้ไอ้ตอนที่เราจะเอากฎตายษณ์มามาปรับใช้กับไอ้ตัวนี้ hmm. คือไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนอกให้ยุ่งกับเรื่องของจิตของเราขนาดนี้ใช่ไหมครับ hmm. คืออย่าไปยุ่งคือให้พิจารณากฎตายรับเนี่ยในขณะปัจจุบันกับจิตของเรา hmm. เพื่อที่จะพยายามตัดหรือละมันหรือคอยสังเกตมันมันเป็นการปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับ hmm. เพื่อจะให้ไอ้นี้วอนเดี๋ยไอ้ตัวที่มันจะมาผูกรักไอ้ความรู้สึกเราตอนเนี้ ให้มันตดัดให้มันขาดลงเนี่ยมันคือให้มันดูอยู่กับปัจจุบนันอย่ายุ่งเรื่องภายนอกทั้งสิ้นยุ่งแต่จิตของเราอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่ครับคือให้เราคอยกําจัดความอยากที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวอรย่างี้เราก็ต้องใช้กฎใจรับมามาสอนใจว่าการไปเที่ยวนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงอ น, นิจจา เวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮาพอกลับมาบ้านความสนุกนั้นก็หายไปความเบื่อความซึมความเศร้าก็กลับมาแทนที่เหมือนเดิมอันนี้ต้องใจอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ไปเที่ยวไม่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เรามีความรู้สึกซึมเศร้างอ่อยเหงาวิธทีที่แก้ปัญหาก็คือหยุดเที่ยวเพราะถ้าเราเลิกเที่ยวได้แล้วความรู้สึกซึมเศร้ามันก็จะหายไป ความความสึกซึมเศร้าความหมงุดหงิดลำคาญใจมันเกิดจากเวลาที่เรามีความอยากไปเที่ยวอย่นี้มนุษย์ทั่วไปเวลามันคิดอย่างนี้บางทีมันก็แพ้ความคิดมาก็มันต้องสร้างสมาธิขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีสมาธิมันจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมาแทนที่การไปเที่ยวได้แล้วพอเรามีความสุขรูปแบบใหม่เราก็เลิกหาความสุขจากการไปเที่ยวได้งั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็สู้ไม่ไหว ที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องอุเบกขาเนื่นองก<ส>็ก็สมาธินี่แหละต้องได้จากสมาธิอุเบกขาที่แท้จริงต้องเกิดจากการจิตเข้าสู่สมาธิถึงจะเรียกอุเบกขาจริงการอุเบกขาแบบบังคับนี่มันเด็นอุเบกขาปลอมเฉยๆเดี๋ยวมันเฉยได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็ไปเแล้วในระดับของพระที่ท่านปฏิบัติ มาเป็นเวลานานานี่นะครับแล้วจับของการมองตารักเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ทุชนธรรมไดาคือมามันมองมากน้อยต่างกันไงคนที่มีสติปัญญามากมันก็จะมองได้บ่อยทีมถ้าไม่มองบ่อยมันลืมเวลาเกิดความอยากมันลืมว่าเป็นสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์เรากลักบไปคิดว่ามันเป็นสุขหลายคนที่มีเห็นตายรักตลอดเวลา พออยากจะทำอะไรบอกว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจะรู้ทันทีว่าเพราะว่าสิ่งที่เราไปทำนี้มันได้สุขเดี๋ยวเดียวเวลามันไม่มีมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วขณะที่ท่านคิดว่าตายรักเนี่ยท่านจะปรับใช้กับความรู้สึกตัวนี้มันคือการสอนใจเราให้ไม่ให้ลืมว่าทุกอย่างมันทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้เกิดจากสมาธิ อันนี้คนละเรื่องกันสมาธิมันเป็นการทำใจให้สงบให้อิ่มให้มีความสุขแต่ไอ้กรณีที่เราจะกลับใช้ไตรลักษณ์เนี่ยคือเป็นประสบการณ์หรือมันเกิดจากวิปัสสนาหรือมันเกิดจากอะไรความจริงไ ง, ไรงเราเรามองไม่เห็นความจริงกันเรามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกความจริงทุกอย่างมันเป็นทุกข์ แล้วมันจะมองความจริงจากจุดไหนล่ะครับตอนที่เวลามันไม่มีไงเวลาคุณมีเงินมันก็สุขใช่ไหมเวลาเงินหมดมันสุขก็เปล่าอ่ะนั่นแหละคนไม่มองตอนที่มันไม่มีเนี่ยคนจะไปมองแต่มันตอนนี้มันก็สุขเลยเวลามันหมดเนื้อหมดตัวมันทุกข์ก็เปล่าอ๋ออย่างนี้ก็แสดว่าเราก็ควรจะมองว่าตอนที่เรามีอายุมากขึ้นแต่มันก็ต้องตายด้กยนะครับมันก็ทุกข์ไปไม่ได้เลยเสียอย่าง แล้วก็ควบคุมมันก็ไม่ได้เวลาเราไม่สบายเราก็อยากให้มันว่ามันต้องสบายสิทไมมันจะต้องไม่สบายควบคุมอะไรกินอะไรก็ไปแต่ในที่สุดมันก็วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของมันอันนี้คือการสอนใจเราจะการนำกฎไจรักมาใช้จะให้คิดบ่อยๆจะไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมให้คิดบ่อยๆตอนนี้นิสัยเราชอบลืม เงินปักเงินอยากจะได้กันทุกคนใช่ไหมมีใครมาเสนอให้เงินสักล้านหนึ่งเอาไม่เอาเลยรับเลยเอาถ้าน่าอาจารย์แต่ถ้าคิดแบบบุตรชนมันก็จะคิดว่าเอายิ่งมีเงินก็ยิ่งดีสิก็ยิ่งมีความสุขก็คุณอยากจะเป็นบุตุชนแล้วอยากจะเป็นพระอรหันต์นะคุณอยากเป็นบุตุชนกุก็คิดไปอย่างนั้นไงไม่ต้องคิดตายรักคิดว่ามันเป็นสุขไงบุตรชนที่แปลว่าคนที่มีกี่เลรย คนที่ยังมีโมหะความหลงยังมองไม่เห็นตายรักเนี่ยปุตตุชนนี่เป็นคนที่มยังไม่เห็นตายรักถ้าเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดามันนี้ท่านเริ่มเห็นตายรักษแล้วเห็นว่ามันไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงรมันเป็นความทุกข์มากกว่าเวลามันไม่มีขณะมีก็ทุกข์แล้วกลัวมันหมดใช่ไหมตามไปฝากที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่รับประกันเงินฝากแล้วเนี่ย หรือก็ต้องแสวงหามันไม่รู้จบอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่จะหมดแบบไหนแสดงว่าผู้ปฏิบัติที่จะเห็นที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็จะมองตัวมันข้ามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุของความทุกข์แล้วมันก็ไม่มีวันที่มันจะเก็บมันไปได้ตลอดกาลควบคุมมันก็ไม่ได้มันอาจจะดีไปก็ได้อาจจะยิ่งดีก็ยิ่งมันก็ยิ่งมีกิเลสมากขึ้นใไอ้รั้นพอไม่มีมันก็ยิ่งจะ ต้องดิน้นทุรนทุลายมากขึ้นพวกที่ท่านปฏิบัติท่านจะมองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ว่าอย่าไปหาเงินเลยมาหาความทุกข์กันมาหาความสงบดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องใช้เงินมีเวลาพุโทโธพุโทโธนั่งทําใจให้สงบก็มีความสุขดีกว่าได้เงิน 100, 000, 000, 000, นะ้อยล้านพันล้านนะแสดงว่าการปรับใช้ไปรักเกิดจากการสอนใจเรา อยู่ทุกขณะจิตซึ่งมันควรจะนึกถึงเวลาเราเกิดกิเลสหรืออยากอะไรเนี่ยให้นึกถึงสิ่งนี้เราสอนใจเพราะว่าถ้าจะมาทางที่จะหลุดพ้นมันต้องมาทางนี้แต่ถ้าคิดว่าไม่อยากมาทางหลุดพ้นก็มันก็ไปคิดอย่างที่คุกคนทั่วไปคิดอได้เงินเยอะดีได้เป็นใหญ่เป็นโตดีมีความสุขกันแต่มีตาเป็นจริงจริงเอาเข้ามาแล้วมันไม่จริงหรอกอใช่ได้มาแล้วก็เคียดกับสิ่งที่ได้ใช่ไหมก็ต้องห่วงต้องห่วง แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่รเวลาไปก็อับอายอับอายขายหน้าครับางทีก็อยากจะกระโดดตึกตายนั่นแหละทุกข์ไหมทุกข์ครับแล้วก็ไม่จบสิน้นอแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะเป็นอย่างนี้ อ, อีกอเพราะความอยากมันยังอยู่ในใจร่างกายตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาใจไปเกิดใหม่ ความอยากว่าไม่ต้องมีใครสอนเนี่ยอยากกันทุกคนเลยอยากกันตั้งแต่เกิดเลยที่เวลาเกิดเด็กมันร้องนี่มันก็อยากนะอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้มันก็ร้องเพราะมันไม่มีความสุขในตัวของมันเองถ้าเด็กที่มีสมาธิมาเกิดในี่ยสัญญามันจะไม่ค่อยร้องใช่ไหมมันจะมีความสุขในใจใจมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องความทุกข์ของทางร่างกาย เมื่อ ก, กี้ที่ท่านอาจารย์สอนว่าตอนแรกที่ท่านปฏิบัติเนี่ยเรามีคนเนี่ยมาชวนท่านท่านก็รู้สึกว่าแม้มันจะต้องฝืนปัจจัยถูกไหมครับอแล้วท่านก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการทําสมาธิมันก็ช่วยสร้างความสงบเพื่อจะมาทดแทนทสิ่งเหล่านั้นอืแต่ว่าความสงบที่เราเกิดจากการนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพิหารธรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเป็นที่พักพิงเพื่อมาทดแทนในสิ่งเหล่าั้ใช่ซึ่งไอ้วิหารธรรมตัวนี้หรือความสงบตัวเนี้มันอาจจะสุขยิ่งกว่ามันไม่มอาจจะมันสุกยิ่งกว่าควาสุกยิ่งกว่าในจริงจความสุขทั้งปวงมันเป็นความันจริงๆริงความจริงพระพุทธเจ้าบอกนัตถสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขการใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ เหตุใ ว, ว่าความสงบที่เราได้ในเบื้องต้นมันเป็นความสงบชั่วคราวได้ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพอเราเผลอปล่อยให้ใจคิดก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปเราถึงต้องใช้ตายลักษ์มากาจัดความอยากเวลามันเกิดขึ้นมาก็คือสรุปข้อหนึ่งฝึกสมาธิให้เกิดความสงบอสองความสงบเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่อง กับการที่จะฆ่านิวนอ่าแสดงว่าพอมันเริ่มเกิดนิวรณก็สอนตัวเองแล้วามกดไตรลักษณ์ก็มาคิดว่าเนี้ยทุกอย่างมันแน่นอนตรงไหนล่ะแต่ถ้าใครไม่สนใจจะทําด้วยวิธีที่จะอยู่ในโลกเขาไม่ต้องมาเขาไม่ต้องมาเนี่งมาเที่ยงกันอมนต้องมา practice วันนี้พอแพ a c t i c e วันนี้อก็จะดูให้สอนใจเราทุกเรื่องอแต่การสอนใจเนี่ยให้เราดูไอ้ตรงเนี้ครับดูดูมันสอนใจ ในขณะจิตของเราที่เรากำลังจะมีกิเลสหรือมันสอนในลักษณะทั่วๆไปหมายความว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นการสอนใจในลักษณะทั่วไปว่ามีสองลักษณะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดทุกขม์มีส อ, มสองลักษณะไงช่วงที่ยังไม่มีกิเลสก็คิดไว้ล่วงหน้าก่อนสอนไว้ล่วงหน้าก่อนทำการบ้านไว้ก่อน<ะ>ฉันคิดว่าเราได้อะไรมาเราก็ต้องเสียไปเพราะมันไม่เที่ยงพไม่เที่ยง<ะ> แล้วพอต่อมาถ้าเกิดมีความอยากได้เราก็จะได้สิ่งที่เราคิดนี้มาสอนเราเตือนใจบอกว่าเนี่ยอยากได้นี่ได้มาแล้วมันไม่เที่ยงนะได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปอถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนมันจะไม่รู้มันจะลืมมันก็จะอยากได้ทันทีมันก็จะเอาทันทีดังั้นบางทีเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนคิดไว้ล่วงหน้าเพื่อสอนเราแล้วก็คิดตอนที่มันกําลังจะเกิดว่าเออมันเที่ยงไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเวลาเกิดถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าก่อนมันก็คิดไม่ได้ คนส่วนใหญ่พอคิดอยากจะได้อะไรเขาไม่คิดว่าเที่ยงไม่เที่ยงเขาอยากได้หรือไม่ได้อ่เขาอยากได้หรือ ไ, <ด>ไม่ได้แค่อย่างเดียวเขาเอาแล้วละ่ะแต่ถ้าเราเคยสอนใจว่าอยากจะได้อะไรมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องทุกข์เนะยเพราะมันไม่เที่ยงเนะี่ยถ้าเราจําได้เวลาอยากได้อลไรมันก็จะมาบอกให้เราหยุดอย่าไปทำอันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาสามัญก็คือ วิปัสนาใช่ไหมครับวิ ป, ปัสนาปัญญาอ่าวิปัสนาปัญญาเนี่ยถ้าคิดในทางตายรักเนี่ยเรียกว่าวิาปัสนาปัญญามันจะหยุดความอยากได้ถ้าเรามีมีตายรักเราเห็นตายว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นตายรักเราก็จะหยุดได้ถ้าคุณเห็นว่าเครื่องดื่มนี้เป็นยาพิษคุณอ่าดื่มไหมไม่ดื่มอแต่คุณไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับคุณไม่ดื่มแล้วมันก็เป็นยาพิษแต่มันพิษน้อย มันค่อยๆฆ่าคุณที่เราเล็กเทาน้อยทั้ไปเล่าสีสวยๆใส่ในยากริดนี่แหละใ ช, ะใช่นี่แหละแล้วไม่กี่ปกีก็กลายเป็นมะเร็งขึ้นมาในร่างกายดังนั้นคุณน้องมองเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์หมดรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญเนี่ยเป็นทุกข์หมดทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ แต่คุณไม่เห็นอ่ะพอเห็นอะไรปบความความหลงมันมาเร็วกว่าความความรู้ไงความหลงมันมาเร็วกว่าปัญญามันก็เลยคว้ามับเลย<ด>แต่ค้อทก้าก็คือให้เจริญสติเจริญสติมากๆเพื่อให้ใจสงบมีกําลังแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาได้แล้วก็ต้องคิดทางปัญญาด้วยแต่เบื้องต้นนี่เอาความสงบก่อนถ้าไม่มีความสงบถึงแม้คุณมีปัญญาคุณก็หยุดมันไม่ได้ ถ้าคุณมีความสงบแล้วคุณเลิกได้เพราะว่าไม่คุณจะไม่เดือดร้อนคุณใจคุณจะไม่ทุกเวลาคุณจะต้องเลิกสิ่งที่คุณคุณอยากก็เหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าก็เพราะว่ามันมีความสงบเออขามาแทนมันก็เลยเป็นตัว้ังใช่ช่วยไว้ว่ า, วาออแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ฝึก ส, สมาธิอีตัว้างตัวนี้ไม่มีไม่มีเลยมันก็ไปเลยคือ มันเป็นเหมือนคิดเอาไว้เองแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันต้าไม่อยู่ต้านไม่อยู่ยคิดได้แต่พอถึงเวลาเจอความอยากขึกก้นจริงๆสู้มันไม่ไหวยังก็ต้องมาฝึกสติก่อนเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนให้เป็นอุเบกขาก่อนเมื่อมีอุเบกขาแล้วจะมีกําลังต้านความอยากแต่ก็ยังต้องใช้ปัญญาสอนว่าทําไมต้องต้านความอยากเพราะว่าความอยากนี้จะเป็นตัวที่พาเราไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่พาเราไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่เราต้องการมันไม่เที่ยงเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดอันนี้จังทุกงรั้งแล้วนะตาะว่ามาทางนี้ปีนี้ค่ะเป็นไตร่อย่างนี้อย่างั้นอตอนนั้นภาวนานอยู่ก็คิดว่ากำลัดงดีนะตกลงจะสงบอยู่เฉยวปรากฏว่า คือไปคิดถึงไม่ไม่ใชนที่เกลียด น, นะคะแต่ว่าเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเวลาไปเจอจิตกรรมมันรู้สึกอย่างหงดหงิดเล็กๆอย่างนี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแอืมกำลังนานอยู่เนาะเรคิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะทํานาอยู่นะแต่ไป ค, คิดถึงสิ่งที่เราถเวลาจะหยีดคิดๆถึงบุกคนนะคะแต่ไม่ใช่คนที่เราเกลียดนะคะไม่ได้เกลียดแต่อาจจะไม่ชอบจิตกรรมเล็กๆอย่างนี้ค่ะแล้วอืมเราพอนถ้าคิดอย่างนี้มันไม่สงบแน่เลย นะะคก็แค่คือในใจแล้วคิดขึ้นมาว่าก็แค่ดินน้ําลงไปแค่นั้นแหะค่ะเราก็หยุดคิดถึงเขาเลยเหมือนกันนะคะก็พอวนาได้ต่อก็จะกล่าวเลยเพราะว่าวิาวธีเนี้ยใช้ได้ไหมคะก็เป็นตายรักไงดินน้ําลงไฟก็เป็นอนัตตาเรามองเขาว่าเป็นดินน้ําลงไฟไปเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากเราได้แล้วก็เลิอกอยากพอเราเลิกอยากมันก็สงบ เราใช้ตอนที่เราภาวนานอยู่แต่เราบังเอิญไปคิดถึงพฤติกรรมของเขาตอนที่เราเราพบเขาก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราได้พบเขาอีกแบบนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้ก็ลองดูาบางทีมันใช้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ผลก็ต้องใช้ <ฮะ S 1> ตัวหนึ่งแต่ต้องสอนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็แค่หนึ่งนะหนึ่งใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเจริญผลรู้เป็นชอบเริ่มจะชอบธอเลาะกับตัวเองอยู่เรื่อยๆลยนะคะหมายถึงว่าพอบางทีอะไรหทนดไปก็จะเริ่มถามอยู่เรื่อยๆว่าเกิดอะไร อยากเหรออยากใช่ไหมไม่พอใจใช่ไหมทําไมต้องพอใจด้วยล่ะคือคือบอกไม่ไม่ถูกใจใช่ไหมทำไมถึงไม่ถูกใจก็าเขาไม่ทําตามใจเราเหรออันนี้่างคื อ, ค, อคือจะเป็นลักษณะนี้คือตัวเองที่ว่าชอบทะเลาะกับตัวเองแบบนี้อันนี้เป็นการเดินปัญญาไงการการหาสาเหตุ ข, ของความหงุดหงิดใจว่าเกิดจากอะไรอะพอเรารู้ว่าเกิดจากความอยากแล้วเราก็ใช้ตายรักเข้ามาหยุดได้ก็คิดว่า ตอนที่คิดอยู่คิดว่าแม้ถ้าคนพูดว่าเราตรงๆว่าก็ราอย่างนัะสิอย่างเงี้ยเราคงจะโกรธนะคะแต่ว่าเวลาเราว่าตัวเองแรงๆเงี้ยเราก็ไม่ค่อยโกรธตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่อย่างว่าเอาอยู่ค่ะเจอก็หยุดได้นะคะยังไม่พออีกเหรอแค่นี้ไม่พอเหรออางเนี้ยค่ะจะทะเลาะกับตัวเองอยู่เรื่อยๆแบบนี้อันเนี้ยทะรลาะแบบนี้ดีดีกว่าไปทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับคนอื่นนั่นเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกับเราถ้าเรา ถ้าธรรมะชนะมันก็จะสงบพยายางทะเลาะแบบนี้แล้วก็เอาตายรักมาสรุปว่าเห็นตายรักปั๊บก็จะสงบเอาว่ามาเดี๋ยวข้างหลังก่อนตามทันบางครั้งก็ตามตย่างนี้ครับยังผมเป็นคนค้าขายมีอยู่วันนึงนี่เขามาถามราคาของเก็บเงินไว้แล้วเขาก็ไม่จ่ เขาก็เดินไปซื้ออีกร้านหนึ่งแลเดินแกย้อนกลับมาผมก็ถามว่าเอาถามแล้วแต่มันไม่ใช่ซื้อ <c oughs> แล้วตอนนี้แกก็บอกว่าแพงกว่าเจ้ามเอืองั้นแกก็เดินไป <c oughs> ผมมันนึกเลยจะโอ้เรานี่แพ้แล้วอคาพูดนี้เราไม่ควรพูดเลยแล้วแพ้กิเลสไปแล้วอย่าให้ก็ซื้อ่ไหมฮะก็ปลก ตั้แต่นั้นมาก็เลยเตือนสติตัวเองว่าหลวงตาเคยบอกว่าแค่ขึ้นเวทีก็ตกเวทีแล้วคือความอยากที่มันไม่ใช่ธรรมดาอ่ะมันฝังลึกมันเป็นมันเป็นสายเลือดของเราเนะยทุกความคิดของเรานี่มาจากมาด้วยความอยากทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยได้สติว่าเขาเป็นอย่างนี้เองความอยากไม่จําเป็นจะต้อง เราไปตื้อของมาแต่แค่เขาแค่มาถามแค่นี้ความอยากก็เกิดขึ้นใช่แต่ก็ดีถ้าเรารู้อย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มเริ่มเห็นปัญหาของเราแล้ว mm hmm. เมื่อเห็นปัญหาเราก็จะได้ mm hmm. หาวิธีแก้มันได้ปัญหาของคนบางคนไม่เห็นซีดซ้ําไป mm hmm. คิดว่าทําถูกแล้วที่ไปด่าเขาไปว่าก็จริงไหมเงินอยู่ที่ตัวเขานะคะ <laughs> เขาจะฟักเงิน่ะให้ไข่ก็ได้เขาไม่มีสิทธิ์จริงของเขาเลยครับแต่เรากิดยังไได้ก็ดียังไงน่ะถูกแล้ว บ, บา ง, างาคารงงั้งก็บออืมก็เขามีสิทธิ์อ่ะเงินในกระเป๋าเขาเขาจะให้เราก็ได้ไม่ให้เราก็ได้ท า, าไมเราเป็นพนังาเขาให้ก็ให้เราเฉยเหรออะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้้มันก็จบเลยเหมือนกันเราก็ได้เหมือนกันอยวิที่มันหยุดได้ก็โอเคได้คบเางทีก็เอาอยู่เดี๋ยวคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงข้างหลังเนี่ยจะถามอะไรถามอะถามตั้งตัเลยครับถามัง ทำงานจะต้องเจอกับหลายๆคนค่ะอันนี้ว่าในระหว่างวัเนี่ยด็จะไม่ได้คุยแบบคนเยอมากแล้วตอ้เดินกับไปที่พักในพัทยาโดยสายตรงอันนี้บางทีมันก็ไม่เอาต้องพดเอบางทีก็ไม่สาวพี่นาก็ไม่เอาัก็ไม่หันกลับมาดูดูการตัวเองเพิ่มหลบาทีเันกไม่เอาคพรากเด็กก็เลยึกว่าใะพันนาไหต่อนเด็ก็เลยยุดเดเลยับไปนอนเดกก็มมาจะกลมใหม่ก็ไม่ได้ ก็ลองใช้วิธีอื่นเช่นส่วนวนไปเลยนับหนึ่งสองสามไปรลอดูอาการสามสิบสองท่องชื่ออาการสาสิบสองของร่างกายไปหาวิธีใดก็ได้ให้ใจมันมีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนี่วเวลาลบางทีเราเราบริกรกรมเราสมเด็จไปวัดนี้มันอยู่ๆมันก็จะจะทินกับคำบริกรรมของวัดนีม ได้คำไหนก็ได้ไม่เป็นไ ร, ไนไรขอให้มันขอให้มันหยุดความคิดที่มที่เราไม่ต้องการคิดได้ก็ใช้ได้มีใครอยากจะกลับก่อนไ้ยจะให้พรก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบที่สองนะนะให้พรก่อนอยะท้ า, ทาวารกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฌตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจัตตารุธรมมวะทานติอายุวันโสุขังภาลัง ไม่ต้องตัดก็ได้ aw, เพราะคลิปเดียวนี้ไปตลอด4ช่มงได้พอได้คลิปยาวจนจบเลยเขาเลยอ่านนี้มีอะไรัหมมีอะไรจะคุยไหมออ่าปกติอ่านนี้บินบาบจะไม่ได้ลงหอฉันเดือนละสองครั้งวันลงปฏิโมก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพระใหญ่แต่บางทีก็วันหลังวันพระใหญ่เพราะปฏิทินโลปฏิโมกของพระธรรมยุทธ์ไม่ตรงกับวันพระใหญ่เสมอไปอาครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้น ะ, ะไม่มีอะไร ไม่คิดอะไรเลยก็ทำได้ดีใช่ถ้าไม่คิดอะดียิ่งคิดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ใช่เป็นอุเบกขาไม่เดือดร้อนคือทางตอนนี้ทางบ้านรายงานว่า YouTube ชัดเจนมากครับพระอาจารย์แต่จริงว่ามือเราเนอย่เดียวชัดเจนเลยครับและเดี๋ยวก็ค่อยประชาชนสัมผัสใช้ HD เลยใช่ไหม HD เลยครับ HD จอกว้างชัดเจนแล้วก็ลองเปิดดูโอ้ชัดมากแล้วนี่ย่ใช้กล้องใหม่แล้วใช่ไหมกล้องกล้องของพี่จุบถวายมาวันนี้ครับมันแสงสว่างขึ้นเยอะนะสว่ขึ้นครระอาจรย์ดีเลยครับเพราะอันอันก่อนมันยังรู้สึกมืดๆหน่อยอันเก่าแสงแสงตู้นี้ไม่ได้เลยครับพรอาจอันนี้ชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยวก็เราก็เอาทางคําถามทางบ้านมาได้เพราะว่า คนที่นี่เขาหมดคำถามนะเครียดยังยังมีอยู่นะครับยังไม่ยังไม่จบนะครับเหลือใครไม่รู้เดี๋ยวเรามีมีถามตอบปัญหาต่อใครอยากจะฟังก็ได้นะเลือกไปฟังในในเครื่องก็ได้ถ่ายทอดสดอยู่นะนี้เอาเลยมามาเลยคำถามจากคุณมิชนเมื่อเช้านั่งสมาธิกลับมาลงแรกแกได้ยินเสียงนกร้อง เสียงรถวิ่งเสียงปั๊มน้ำมันแล้วเริ่มรู้สึกชาที่น่องขาส่วนล่างนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ท่องพุโทโธเลยจึงเริ่มท่องพุโทโธแล้วจึงรู้ว่านั่นคือเสียงนกร้องเสียงรถวิ่งเสียงปั๊มน้ำส่วนความรู้สึกชาที่น่องขาส่วนล่างหายไปคำถามข้อที่หนึ่งอาการนี้เรียกว่ามีสติใช่ไหมครับถ้ามีสติมันก็ต้องมีพุโทโธ ถ้าไม่มีพุโทโธมาเรียกไม่มีสติคำถามข้อที่2ตอนแรกที่นั่งจะไม่มีสติแต่เมื่อพ้องพุโทโธแล้วสติมาจับลมหายใจที่ปลายจมูกได้นั่นคือพุโทโธลมหายใจคือสติใช่ไหมครับคือสติเกิดจากการมีพุโทโธแล้วเกิดจากการดูลมหายใจเข้าออกแต่ตัวพุโทโธตัวลมหายใจไม่ใช่ตัวสติ เป็นตัวที่จะทับปลุกให้สติเกิดขึ้นมาถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่เราก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะรู้อยู่กับพุโทโธการรู้นี่เรียกว่าสติงนั้นต้องมีพุโทโธถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้นมหายใจเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถหยุดความคิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธหรือใช้นมหายใจเท นั่งเฉยๆหลับตาหยุดความคิดปุ๊บมันก็สงบเข้าไปในสมาธิได้เลยคนที่มีสติแล้วคนมีสติแล้วไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเพียงแต่กาหนดจิตให้หยุดคิดปั๊บมันก็สงบนั่นแสดงว่ามีสติแต่ถ้ายังไม่มีสติกำหนดยังไงมันก็ยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ก็ต้องใช้พุโทโธใช้ลมหายใจแทนแล้วมันก็จะหยุดคิดได้คาถามจากคุณกิติรัตน คำว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอานั้นมันเป็นลักษณะที่เราเบื่อกับเรื่องของบุญกับบาปหรือมันเป็นแบบที่เราเห็นความไม่เที่ยงของบุญกับบาปจนเราไม่สามารถใส่สนใจกับมันหรือมันเป็นลักษณะแบบไหนครับมันก็เป็นได้หลือไร้ขณะเป็นแบบกิเลกก็ได้กิเลสไม่ชอบทําบุญแต่ถ้ามันไม่ทําบุญเพราะว่ามันเป็นผ้าอะหันนี่ก็ได้อยู่ พระอรหันต์ี่ท่านทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้เพราะท่านได้บุญพอแล้วท่านได้บุญได้บุญเต็มร้อยแล้วทำไปก็ไม่ได้มากไปกว่านั้นท่านก็จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเราไม่อยากทำบุญนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมากกว่ากิเลสไม่ชอบทำบุญกิเลสชอบทาบาตรแต่ถ้าไม่ชอบทำบาทก็ต้องดูว่ามันไม่ชอบจริงหรือเปล่า มันอาจจะเป็นพักๆเป็นอารมณ์ก็ได้ตอนนี้ไม่มีเหล้ามาวางไว้ข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ชอบทําบาปก็ได้เดี๋ยวพอมีเพื่อนเอาเหล้ามาตั้งไว้ข้างหน้ามันชวนเหลืองนี่ดูซิว่ามันยังทำไม่ชอบทําบาปอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูไปก่อนถ้าไม่ชอบทําบาปได้จริงๆก็วิเศษขอให้ไม่ชอบจริงๆเถิดแต่บุญนี้ถ้าไม่ไม่ไม่ทําก็ไม่เสียหาย แต่ไม่ได้ประโยชน์แต่บาปนี้ถ้าทํานี่มันเสียหายเป็นโทษะงั้นอย่าทําอย่าทําถ้าไม่ทําทั้งบุญทั้งบาปก็ได้ถ้าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทําทั้งบุญทั้งบาปถ้ายังมีกิเลสยังมีความอยากอยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปอบายเพราะบาปไม่มีที่จะดึงไปอบายบุญไม่มีที่จะดึงไปสวรรค์ ก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่แต่ถ้าไม่มีความอยากเลยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็เป็นอยู่ไปไปอยู่ที่พระนิพพานคำถามจากคุณแนตตี้การพิจารากายกับใจเมื่อเห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงควรทำอย่างไรต่อคะก็ปล่อยวางไง ปล่อยวางร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจของเราว่าวุ่นขุนมัวก็ปล่อยมันวุ่นไปไม่ต้องไปอยากให้มันหายวุ่นดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าไปอยากให้มันหายมันยิ่งปุ้นใหญ่ใจของเราก็มีอารมณ์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางวันก็ดีใจบางวันก็เสียใจบางวันก็สุขใจบางวันก็โกรธแค้นโกรธเคือง อันนี้เราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงเราอย่าไปยุ่งกับมันถ้าปล่อยวางมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายก็จะทุกข์กับมันคําถามจากคุณกระมลวันการสวดมนต์ทุกวันเป็นประจําเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมพลังจิตหรือไม่ก็เป็นการฝึกสร้างสติฝึกสร้างสมาธิขึ้นมาครับ คำถามจากคุณพัวเดชกรณีเวลาสวดมนต์แล้วเกิดภาวะว่าร่างกายสวดไปตามบทสวดมนต์แต่มีจิตที่แยกออกมาดูกายต้องทําอย่างไรเกิดหนึ่งครั้งก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าจิตแยกออกมาได้ก็จะให้ดูกายไปให้ดูเฉยๆไปก็ได้แต่การแยกนี้ไม่รู้ว่ามันยากเพราะสาเหตุอะไร ถ้ามันแยกเพราะความสงบก็ดีคือใจปล่อยวางร่างกายเราสักแต่ว่ารู้กับเรื่องของร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็รู้เฉยๆไม่ไปวุ่นวายไปกับมันถ้าอย่างนี้ก็ดีเราต้องการที่จะให้ใจปล่อยวางร่างกายไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วจะทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา ก็จิตกับกายมันเป็นคนละคนกันแต่เวลามันไม่แยากมันก็เหมือนน้ากับขวดน้ำํำมันอยู่ในที่เดียวกันเราก็เลยอาจจะคิดว่าน้ํากับขวดน้ําเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราเทน้ําออกจากขวดเราก็จะได้เห็นว่าน้ําเป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งเวลาจิตแยกออกจากกายเราก็จะเห็นว่าจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกายเป็นผู้รับใช้รับคําสั่งของจิตอีกที งั้นจิตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตก็ไม่ต้องไปหวาดเสียวแทนร่างกายตอนนี้เราหวาดเสียวแทนมันใช่ไหมเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่โอ้เราวุ่นวายเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นมันไงแต่พอเราแยกออกได้ว่าเราไม่ได้เป็นมันเนมันไม่ได้เป็นเราเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนร่างกายคนอื่นเราเดือดร้อนไหม คนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเดือดร้อนหรือเปล่าแล้ ว, วลทำไมร่างกายนี้เราไปเดือดร้อนมันก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้เป็นเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเราถึงต้องแยกมันแป๊แปเแ บ, บเดียวก็ต่อมาก็ต้องใช้ปัญญาแยกไงพอรู้แล้วว่ามันแยกแป๊บเดียวเราก็เอาความรู้นี่มาสอนใจว่าเออเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันนะอร่างกายนี้ทํำยังานมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาแยกคาถามจากคุณกรณมิกาเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธแล้วไม่สงบอารมณ์ติดอยู่กับลมหายใจเลยทำให้หายใจไม่ปกติเจ้าค่ะติดๆขัดๆเลยไม่มีสมาธิจะทำอย่างไร ดูลมหายใจแล้วไม่สงบใช่ไหมกรรมพุทโธแล้วไม่สงบอารมณ์ติดอยู่กับลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวเลยอย่าไปบริกรรมให้ดูลมหายใจอย่างเดียวถ้ากำลังติดอยู่กับลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าเอาทั้งสองอย่างอสองอย่างแล้วมันสับสนมันชนกันมันก็เลยทำให้ไม่สงบเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปถ้าจะอยู่กับลมก็อยู่กับลมไป ถ้ามันไม่คิดจะหยุดก็ได้หรือจะพูดโทรต่อก็ได้เหมือนมันมันว่างมันคิดมันมันไม่มันมันว่างก็ลองหยุดหยุดไปก่อนดูสักพักก็ได้ถ้ามันเริ่มคิดก็พูดโทรใหม่แต่มันยังไม่ตกหลุมตกบ่อเราต้องการให้มันตกหลุมตกบ่อมันถึงจะว่างจริงถึงจะสงบจริงถ้ามันสงบมันว่างไม่พูดโทรก็ได้ล้วก็ใช้สติประคับประคองให้มันว่างให้มันสงบไปนาน ถ้ามันพุทธถ้ามันเริ่มคิดแล้วใช้สติหยุดมันไม่ได้ก็ใช้พุทโธมาหยุดมันต่อทำไปเรื่อยๆมันไม่เกี่ยวกันเราเอาไซเมอร์มันเป็นเรื่องของร่างกายอันนี้เรื่องของใจความคิดที่เราหยุดด้วยสตินี้มันไม่ได้ทำให้เราเป็นเอาไซเมอร์พอเราหยุดควบคุมปั๊บมันก็คิดต่อไป นั่งๆหน่อยเราก็เนรนู้อยู่มีตมอยู่วอย่างนนจะไปนานๆข้าสักชั่วโมงกว่าก็เริ่มช้าหลเเราไม่ทให้ือง้ไ ด, ได้ช้าเไม่มีปัญหาเลยก็จะเริ่มช้าช้าจนกระทั่งหยุดเลยก็ได้จนกระทั่งมันเหมือนจะหยุดอก็หยุดได้เรายังมีสตอยู่อ่าถ้าหยุดแล้วมันไม่คิดก็ไม่ต้องพูโทโธก็ได้ ต า, ตามจังหวะของเขาค่าาช้าก็ได้เร็วก็ได้คําถามจากคุณอิทิการนั่งสมาธิจนดิ่งลึกไปทําได้ระยะเวลานานต่อเนื่องหากเราไม่ถอดออกมาสักนิดเพื่อเจริญวิปัสสนาหากแต่นั่งดิ่งลึกดิ่งลึกอย่างอยู่อย่างนั้นเราสามารถหลุดพ้นได้ไหมครับมันหลุดพ้นได้ชั่วคราว เวลาอยู่ในสมาธินี้กิเลสก็หยุดทํางานก็ไม่มีความทุกข์เขาเรียกว่าหลุดพ้นแต่พออจากสมาธิมาพอเราไม่ควบคุมใจมันก็จะกิเลสก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ถ้าต้องการหลุดพ้นอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญากำจัดกิเลสเวลามันโผล่ขึ้นมาโดยการใช้ตายรักษณ์มาสอนใจว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราก็จะหยุดกิเลสได้ไม่อยากได้แล้วพอไม่อยากได้ก็ต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์เพราะตัวที่สร้างความทุกข์ก็คือกิเลสอันนี้เรว่าหลุดพ้นอย่างถาวรต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นด้วยสติคือสมาธินี่มันหลุดพ้นแบบชั่วคราวเหมือนเอาหินไปกดป็นไว้ไปทับมันไว้ พอเรายกหินออกมันก็ออกมาเพ่นพ่านต่อได้ดนะคือคืออย่างช่อาจารย์ว่ามันเนี่ยะคะ่ะทุกทีที่เราออกมาจากสมาธิที่แบบว่านิ่งมากและะ้วะคือว่าทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆใช้ใช้จาราลัทเนะะี่ยไม่ใช่แค่ผลเดียวคือว่าคราวหน้ามาอีกเราก็ใช้จาราย์ัทอีกอ ม, มันถึงจะจะถึงความหลุดพ้นใช่ไหมครับใช่ <im itation> ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกเราก็จะไม่อยากได้แต่มันมีหลายอย่างมันไม่ใช่อยากอย่างนี้อย่างเดียวตอนนี้อยากอยากอยากได้เรื่องแฟนพอเห็นว่าแฟนเป็นทุกก็ปล่อยแฟนไปก็หายทุกกับเรื่องแฟนแต่ยังไปอยากกับเรื่องลูกอยู่ก็ต้องไปปล่อยเรื่องลูกอยากกับเรื่องไหนก็ต้องไปตัดมันให้มันกระทั่งไม่มีอหรือบางทีเราสรุปได้ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดก็อาจจะไม่ต้องทีลเปละเอาทั้งทั้งยวงเลยเหมือนกันหมดเลย พ่อลูกทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองของต่างๆเป็นสัพเพสังขารานิจารสัพเพอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมด <จบ S 1> ถ้าอย่างนี้ก็มวนเดียวจบเลยถ้าจะมาตัดทีละลูกก็ต้องเนี่ยก็ต้องแก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปแล้วแต่ปัญญาของคนบางคนคนบางคนนี่เขาสรุปได้ก็เห็นว่าเหมือนกันหมดมันก็ง่ายแต่บางคนยังไม่เห็นว่าเหมือนกันหมด สามีอย่างหนึ่งลูกอย่างหนึ่งสมบัติอย่างหนึ่งมันก็ต้องไปตัดทีละอย่างอ่ะต่อไปคำถามจากคุณโอกอยากจะทราบวิธีปฏิบัติเบื้องต้นตามแนวพระปาคือเคยไปปฏิบัติที่วัดอัมพาวันมาแล้วเขาบอกว่าจะทำให้ติดดีแล้วตัวติดดีนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถอนออกไม่ได้ ให้ปฏิบัติตามพระสายหลวงปู่มั่นตอนนี้ก็เลยสับสนไม่รู้จักเริ่มต้นอย่างไรจะปฏิบัติหลวงพ่อเจรันต่อหรือจะหันมาทางหลวงปู่มั่นดีแล้ววิธีเจริญปัญญาธรรมอย่างไรคะก็เราไม่รู้จักวิธีของหลวงพ่อจรันเราก็เลยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณถ้าเราได้รับประโยชน์จากทางหลวงพ่อจรันจิตเราสงบ เด็เราเกิดปัญญาได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่สามารถได้ความสงบไม่ได้ปัญญาไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เราก็อาจจะมาลองของสายลงปู่มั่นก็ได้ซึ่งมันก็เหมือนกันท่านก็สอนให้มีสมาธิให้มีปัญญาเหมือนกันแต่วิธีสร้างสมาธินี้อาจจะต่างกันเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีด้วยกันยุบหนอพองหนอก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําทให้ใจสงบได้ ก้าวหนอวางหนอยอ่องก้าวหนอวางหนอก้าวหนอวางหนอนี่ก็ได้หรือจะพุทโธพุทโธไปก็ได้ดังนั้นวิธีทําสมาธินี่มันต่างกันได้แต่ผลที่ได้จากสมาธิเหมือนกันคือได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแต่แวทางไปปัญญานี้เหมือนกันทุกวิทุบทุกสำนักต้องสอนเหมือนกันก็ต้องสอนให้เห็นใจรัก ให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงไหลข้างใครที่เราไปยึดไปติดไปรักไปห่วงต้องให้เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็จะปล่อยได้ตอนนี้เราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เราคิดว่าเขาเป็นสุขเราก็เลยห่วงห่วงแฟนห่วงสามีห่วงทรัพย์สมบัติห่วงสิ่งต่างๆเพราะคิดว่ามีสิ่งเหล่า น, นี้แล้วให้ความสุขกับเราแต่ใจเหล่านี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกับสิ่งเหล่านี้กับมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กัน เขาห่วงใยเขาหรือว่าถ้าเขาจากเราไปก็เสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่เห็นทุกข์เราไม่มีปัญญาเราจึงต้องฝึกสอนใจให้มองให้เห็นทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ตาเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ทุก์เพราะเขาไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเขาต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็ทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาเป็นของเรา แต่ถ้าเราคิดว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาซึ่งไม่ว่าจะสำนักไหนต้องสอนแบบนี้ทั้งนั้นต้องสอนเรื่องตายรักทั้งนั้นถ้าไม่สอนตายรักนี่แสดงว่าไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาไม่ใช่วิปัสสนาของพระพุทธศาสนาละคำถามจากคุณไทริน เมื่อสังเกตลมหายใจเข้าออกจนเริ่มแผ่วเบาหลังจากนั้นผมไม่ทราบว่าเข้าสู่ความสงบหรือยังแต่ยังไม่ลักการดูลมหายใจทําแบบนี้ถูกทางหรือยังครับก็ดูไปเรือ่อยไปตามความว่าไม่ดูไปเรื่อยๆก่อนถ้ายังมีลมอยู่ก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าไม่มีลมก็ให้อยู่กับการดูกับความว่างไปให้ประครับประคองใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเรื่องเรื่องราวต่างๆแม้แต่เรื่องลมว่าหายไปก็อย่าไปคิด ให้รู้เฉยๆว่ามันหายไปบางคนไปคิดว่าลมหายแล้วเราจะตายหรือเปล่าพอกลัวตายก็เลยรีบถอนออกมาก็เลยไม่เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อ่าใช่พอถึงจุดนั้นแล้วให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าไม่มีลมก็รู้เฉยๆไปคำถามจากคุณจรัญยาถ้าเรารักษาใจเราให้มีปุถุโธคือรักษาใจ ใม่ดีตลอดเวลาไม่ทราบถูกต้องหรือเปล่าการมีพุทโธก็จะทำให้เราควบคุมความคิดต่างๆได้โดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีคนเราดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความคิดของเรานี้ถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดหรือพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็จะเราก็จะไม่เสีย งั้นการมีสตินี่เป็นการปกป้องรักษาใจเราเพียงแต่ว่ามันมันทำได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะสติเรานี่ยังไม่แ่กก้ายังล้มลุกคลุกคานอยู่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆจนเราสามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีให้หมดไปจากใจเราได้ไม่ปล่อยให้มันคิดเลยเช่นคิดไปทำร้ายผู้อื่นคิดไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่เราจะต้องต้องเลิกคิด ถ้า ย, ย, ย, ยังเริ่มไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอก็หมั่นพยายามฝึกสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคําถามจากคุณโสภิตเวลาใช้สติและใจค้นหาร่างกายหลายๆครั้งจะเหนื่อยมากค่ะทั้งใจและสมองมีวิธีไหนไหมคะที่จะเบากว่านี้ตอนต้นอย่าเพิ่งไปค้นหากายเลยตอนต้นนี้หยุดความคิดก่อน ใช้พุโทโธหยุดความคิดก่อนเพื่อให้ใจสงบใจสงบแล้วจะมีพลังจะมีกำลังจะมีความสุขพอออกจากความสงบมาแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองเช่นผมนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราขนก็ไม่ใช่ตัวเราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา พิจารณายี้ไปเพื่อให้เราปล่อยวางพอเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่เหนื่อยกับร่างกาย <c oughs> ตอนนี้เราเหนื่อยเพราะเรายังอยากให้ร่างกายเป็นของเราอยู่ไม่อยากให้ร่างกายเราแก่เจ็บหรือตายไปเพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราพิจารณาแยกออกแยกใจออกจากร่างกายได้ใจก็จะเบาขึ้นใจก็จะรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรใจก็จะปล่อยวางได้ฉนั้นขั้นต้นทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบให้มีกำลังก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาไปทางพิจารณาร่างกายต่อไปอาว่าไหมา เวลาอยู่ในท่านั่งนี้ร่างกายมันจะร้อนกว่าอ่าเป็นนธรรมดาไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรจะไม่เกิดความร้อนเหรอคะเวลาเราใช้เนั่งอยู่ในท่าสมาธินี้ร่างกายมันจะร้อนกับปกติใช้พลังจะใช่ไหมคะไม่รู้แหละจะใช้เรืออะไรก็ไม่รู้แต่ท่านั้นมันจะทําให้ร่างกายเราร้อนต้องเหงื่อแตกถ้าเป็นอ่าแล้วไม่เป็นปัญหาอะไร ร้อนก็เรื่องของมันนะอืเพราะว่าไม่ไม่เคยมาก่อนเมื่อก่อนก็นกนกนแบบว่าทำเละเลยนะฮะนี่ทำทำเยอะนะวันส่วนใหญ่เราจะไม่เคยนั่งในท่าสมาธิไงเราจะนั่งในท่าห้อยเท้าแล้วนี่มันจะไม่ค่อยร้อนนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินี่รู้สึกว่ามันจะคุมความร้อนให้อยู่ในร่างกายได้มากกว่าเป็นสามเหลี่ยมความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายมันไม่ได้แผ่ออกไปตามขาขามันยังอยู่ติดกับร่างกายอยู่ถ้าเรานั่ง ยิดเท้าหรืออะไรนี่มันความน้อนมันก็จะไปออกไปทางด้านกระจายมันก็เลยไม่ค่อย น, อน้อะว่ามาคำถามข้อต่อไป <c oughs> จากคุณไฟมินิตนะครับพอดีที่จะถามคือผมเคยบวชพระสิบห้าวันแต่ก็รู้แค่บวชตามประเพณีไม่ได้ศึกษาอะไรมากตอนนั้นผมคิดว่าตัวเองได้ทำอาบัตสังฆาทิเศษแต่ไม่ได้ปองหรืออยู่ ปริวาสกรรมแล้วผมศึกออกมาเลยพอดีมีคนทักแล้วผมไม่สบายใจนะครับมีคนแนะนำให้ไปบวชใหม่แล้วไปสารภาพสิ่งที่ทำท่ามกลางหมู่สงแล้วก็เข้าปริวาสกรรมตามกำหนดวันที่ปกปิดผมเลยจะฝากถามพระอาจารย์นะครับว่าแบบนี้แล้วต้องแก้อย่างไรเพราะมีแต่คนบอกว่าชีวิตจะจบแต่สิ่งไม่ค่อยดีแต่ผมก็เชื่อกม ว่าเราทําอย่างไรก็ให้ผลอย่างนั้นมากกว่าแต่มันก็ไม่สบายใจอยู่ดีคือถ้าเราขาดจากความเป็นพระแล้วโทษทางพระนี่มันก็หมดไปแล้วนอกจากถ้าเราจะกลับไปบวชใหม่ถ้าเรากลับไปบวชใหม่แล้วจะต้องไปเข้าปริวาสกรรมใหม่แต่ถ้าเราไม่ไปบวชใหม่ก็ถือว่ามันก็หมดไปตามสภาพของการที่เราขาดจากการเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันจะมีปัญหาก็แต่เมื่อเราไปบวช ไปบวชนี้เราก็อาจจะต้องไปเล่าให้ผู้ที่จะบวชให้เราฟังว่าคราวที่แล้วผมบวชแล้วผมได้ไปทำผิดอาบัตข้อนี้ยังไม่ได้ไปใช้กรรมไม่ได้ไปใช้โทษผมควรจะทำอย่างไรเขาก็บอกว่างงก็ไปใช้โทษก็แล้วกันไปไปอยู่กรรมอะไรว่าๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปนะั้นมันเป็นอดีตไปแล้วมันจบไปแล้ว ไม่เกี่ยวกับเรามันอาจจะมีวิบากก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเราทํามันไปแล้วแต่เราไม่ไดีอยู่ในฐานะที่จะไปแก้มันได้แล้วเพราะเราอยู่คนละเพศกันแล้ว<ม>ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันจะไปกังวลก็ต่อเมื่อคิดอยากจะบวชใหม่ถ้าคิดอยากจะบวชใหม่แล้วต้องการที่จะให้เพศของเราเบริสุทธิ์พุดผ่องสิ่นที่ของเราบริสุทธิ์แล้วก็ต้องไปล้างล้างล้างบาปาไปไปปรงอาบาดที่เราเคยทําไว้ แต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเกิดถ้าถ้าเกิดเราตายไปชาตินี้เราชาติหน้ากลับมาบวชเรายังต้องไปงั <c> ้น <oughs> <c oughs> อย่าไปกังวลอย่างมันมากนะพยายามมีสติรักษาใจแล้วมันจะคุ้มครองเราได้ถึงแม้จะวิบากจะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเรามีสติมีปัญญามันก็จะไม่ทําให้เราวุ่นวายอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปคําถามจากคุณ อ, อ้อ เพื่อนคนหนึ่งชอบเอาเรื่องของคนนู้นคนนี้มาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องที่ดีแต่ส่วนมากเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าดิฉันไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงว่าเราไม่ได้ร่วมบงมิงคาหรือเปล่าคะถ้าเราฟังเฉยๆนี่เราก็ไม่ได้ร่วมอยู่แล้วถ้าเราไปคุยด้วยไปพูดด้วยนี่ถึงเราจะร่วมแต่ถ้าเขาพูดแล้วเราก็โดยมารยาท ด, ดีก็ไม่อยากที่จะไปไปไ ป, ไปขัดเขาก็ปล่อยเขาพูดไปเขาพูด ใครพูดก็เป็นคนรับผลของการพูดของตนไปคำถามจากคุณอ้อนะคะเหตุใดในช่วงนี้ที่หมั่นนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบทุกวันเวลาเดินไปไหนบางครั้งรู้สึกพื้นถนนอ่อนยวบลงไปเหมือนพื้นแผ่นดินไหวหรือแม้แต่ตอนอยู่บนสะพานลอยก็เหมือนสะพานอ่อนยวบลง ตอนแรกนึกว่าอาจเป็นแผ่นดินไหวแต่เมื่อสังเกตคนรอบข้างไม่มีใครตกใจหรือมีอาการผิดปกติเลยก็ยเป็นจิตของเราปรุงแต่งไปเองก็ให้รู้ว่ามันเป็นอาการของจิตหลอกเราก็ได้อย่าไปเชื่อมันของมันเราก็รู้อยู่ว่ามันพื้นเปนก็แข็งของมันอยู่อย่างนั้นคําถามจากคุณกิตติวัน ขนาภาวนาจิตสงบอยู่ได้ยินเสียงดังก้งจากใจเสียงดังมากไม่ได้ตกใจเพียงสักแต่ว่าได้ยินพอลืมตาขึ้นมาทุกอย่างรอบกายเงียบสงบเป็นป ก, กติอยากทราบเสียงที่ดังเกิดขึ้นได้อย่างไรคะก็มันเป็นเรื่องของจิตนั่นแหละภายในจิตนี่มันมีอะไรแปลกๆเยอะแยะไมหมดงนั้นเวลามีอะไรโผล่ขึ้นมาก็ให้มีสติรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางคำถามจากคุณธันวลิน รูล้ลมไปเรื่อยแล้วเราจะออกจากสมาธิได้ตอนไหนคะไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะก็หยุดดูลมเถอนี่ถ้าอยากจะออกจากสมาธิก็หยุดดูลมคําถามจากคุณวั ล, ลาภาเวลานั่งสมาธิดูร่างกายหายใจแล้วเห็นสภาวะหมุนทั้งตัวคืออะไรคะก็เป็นเรื่องของจิตก็คราอย่าไปสนใจถ้าเราดูลมก็ให้อยู่กับลมอย่างเดียว ร่างกายจะหมุนหรือไม่หมุนหรือจะใหญ่หรือจะเล็กก็อย่าไปสนใจมันเป็นมายาจิตเล่นกลให้เราดูเราอย่าไปดูถ้าเราดูแล้วเราจะเสียสมาธิเราจะไม่เข้าสู่ความสงบให้อยู่กับลมที่เราดูเพียงอย่างเดียวเราไม่ต้องไปสนใจกับอย่างอื่นที่ปรากฏให้ให้รับรู้คําถามจากคุณป๊อป อยากทราบผลทางแห่งการเป็นพลาโสดาบานันต้องทำอย่างไรคะก็ต้องไม่ลักตัวกลัวตายต้องปล่อยวางร่างกายได้พร้อมที่จะให้มันแก่พร้อมที่จะให้มันเจ็บพร้อมที่ให้มันตายเช่นไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้แล้วถ้าใจสบายไม่เดือดร้อนก็สแสดงว่าปล่อยได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็สแสดงว่ายังไม่ปล่อย คำถามจากคุณปทุมมาเคยเห็นจิตต่อว่ากันและเห็นจิตสรุปว่าเป็นทุกแป๊บเดียวทําไงคะเห็นเห็นจิตต่อว่ากันหมายพราะว่าไงแล้วเห็นจิตเป็นทุกแป๊บเดียวแล้วก็เคยเห็นจิตต่อว่ากันและเห็นจิตสรุปว่าเป็นทุกแป๊บเดียวเป็นทุกแล้วหายทุกหรือเปล่า่ะถ้าหายทุกก็ใช้ได้ ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางไม่ไปยุ่งกับมันคำถามไม่ค่อยชัดเลยไม่รู้จะตอบอยังไงดีเกียนเข้ามาใหม่ถ้าตอบแล้วไม่เข้าใจหมดหรือยงังตอนนี้มีกี่ร้อยคนและ้ะคนดตนนูตอนนี้ก็ตอนนี้สามร้อยห้าสิบกว่าครับอาจารย์สามร้ห้าสิบกว่า ถามจากคุณมักคาชาวพุทธควรเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์หรือไม่ก็เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสําคัญคือมันก็มีของเหล่านี้มันมีอยู่แต่มันไม่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเหมือนก็เหมือนกับสมัยนี้มีเครื่องบินมีจรวดมีอะไรอันนี้ก็ถ้าเราเป็นคนเมื่อห้าร้อยปีก่อนมาเราก็อาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ก็ได้ แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมาแก้ปัญหาของเราคือความทุกข์ใจของเราถ้าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจเราก็ไม่ควรไปสนใจกับเรื่องปฏิหารต่างๆเพราะการปฏิหารนี้ไม่สามารถที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ล้วอาจจะทำให้เราติดอยู่กับความทุกข์ต่อไปเพราะเราไปยึดติดกับเรื่องปฏิหารจนไม่ไม่ไปสนใจกับการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆ บางคนปฏิบัติแล้วก็มีปฏิหารมีความรู้พิเศษถ้ายังไม่บรรลุก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเก็บมัไว้เฉยๆมาเจริญสมถ ะ, ะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก่อนให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนแล้วต่อไปอาจจะใช้ปฏิหารเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะได้อย่างพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารให้องคุลิมาเห็นองคุลิมานี่ไล่ พยายามไล่ฟันฆ่าพระพุทธเจ้าไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันจึงนั่งตะโกนบอกว่าท่านหยุดสัทีผมนี่ไล่ท่านถ้าเป็นแทบตายนะผมยังไล่ไม่ทันเลยพระเจ้าก็ย้อนกลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอดังหากยังไม่ได้หยุดองคุลิมาลเลยก็แปลกใจแต่ว่าหยุดยังไงก็ท่านผมวิ่งอยู่นี่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันถ้าท่านหยุดผมก็ต้องทันแล้วสิพระเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเนี่ย อ๋อได้พูดได้ยินอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อเต็งเลยเรียกว่าปฏิหารการใช้ปฏิหารให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ใช้แบบแบบผู้ไม่มีกิเลสใช้ถ้าผู้มีกิเลสใช้มักจะใช้ปฏิหารเพื่อเรืียกเงินเรีอกทองเนี่ <laughs> ยงั้นถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ถ้าเรามีปฏิหารร้อยทั้งร้อยจะใช้ปฏิหารไปในทางหาเงินหาทองพวกหมอดูดูภ า, ภายในนี่ใช่ไหมดูแล้วเพื่อจะได้มีรายได้ใช่ไหม ถ้าแน่จริงก็ดูแล้วอย่ากเก็บเงินเลยนะให้ฟรีอ่าอย่าเรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสเพะฉนั้นต้องระวังคนที่มีปฏิหารนี่ระวังเดี๋ยวมันจะทำให้เราไปยึดติดกับปฏิหารจนเราไม่สนใจกับการที่จะไปเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ หมดแล้วยั ง, ยงคำถามจากคุณโสภิตทุกวันนี้ยังมีความปรารถนาไปกลับไหวพ่อแม่ครูครูอาจารย์ทางภาคอีสานและมีคณะญาติพี่น้องที่ไปรับเป็นเจ้าภาพกระถินให้กับวัดที่ขาดแคลนเรืจากเงินสร้างกุฏิและศาลาสร้างพระเจดีเอาเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคไปเรจากเป็นปีละหลายครั้งตอนนี้มูภาวนารักษาศีล ทำบุญใส่บาททุกวันใจไม่อยากเกิดแล้วต้องปฏิบัติทำทัานไหนครับต้องเกิดอีกก็ต้องไปบวชนะถ้าบวชแล้วก็จะได้ปฏิบัติครบรูปแบบเต็มรูปแบบแล้วก็จะได้ลุดพ้นถ้ายังไม่บวชก็ถือว่าเป็นแบบปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นนี่สู้มืออาชีพไม่ได้ถ้าอยากจะได้รางวัลได้ผลจากการปฏิบัติก็ต้องเป็นมืออาชีพ ถ้าเป็นมือสมัครเล่นก็เป็นเหมือนกับเป็นการซ้อมไว้ก่อนไว้รอมีเวลาที่จะก้าวจากมือสมัครเล่นไปสู่มืออาชีพต่อไปแล้ในที่สุดผู้ที่ต้องการที่จะได้มรรคผลนิพพานนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพทั้งนั้นแหละก็<ม><ม>ต้องไปบวชกันจะบวชก็มีสองรูปแบบบวชแบบในรูปแบบเช่นเป็นพระเป็นชีหรือบวชแบบเป็น ผู้คองเรือนถือศีลแปดแต่อยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนได้เหมือนกับผู้บวชก็ใช้ได้เหมือนกันคำถามจากคุณสุธมาเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมไปได้สักพักจะมีอาการหาวติดติดกันและก็พยายามอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนเลิกหาวทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเลิกห่ได้ก็ดีแสดงว่าเราแก้นิวอนได้ ถ้าหาาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวทนไม่ไหวก็จะเลิกเดินก็จะไปนอนแต่ถ้าเราพยายามให้ติดอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธนี้ก็จะช่วยทำให้หายเหงาหายหายเหงาเหาได้หายง่วงได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเราเคยเคยเดินจงกรมช่วงแรกๆนี่บางทีง่วงเลยไม่อยากจะเดินแต่ก็บังคับมัน ก้ <9. S 2> วาวไปทีละก้าวช้าหน่อยก็บังคับให้มันก้าวไปไม่ยอมไม่ยอมไปนอนอพอฝืนไปไปสักพักหนึ่งมันหายง่วงเลยตื่นเลยเร่างร่างเนี่ยมันขนนี้เกียจใช่ไหมใจใจมันขี้เกียจจิตมันขี้เกียจใจมันง่วงนอยคือร่างกายมันจะมีส่วนทําให้ง่วงจิตมันก็เลยขี้เกียจมันก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเราใช้สติบังคับกูจะให้มึงทําอยู่เนี่แหละกูไม่ยอมแพ้มึงย ถึงมันจะก้าวยากไปพยายามก้าวมันไปบังคับมันไปจนในที่สุดมันพอแรงต้านมันหายไปมันก็หายง่วงเลยตื่นขึ้นมาเลยหูตาสว่างขึ้นมาก็มเห็นความมาสจัญญ์ของสตินี่ว่าถ้าเราเอามันจริงๆนี่สตินี่มันดีนะมีประโยชน์มากระงับความฟุ้งซ่านก็ได้ระงับความง่วงนอนก็ได้ระงับความหิวก็ได้โอ้ยมันใน ด, ดีทั้งนั้นถ้ามีสติเนี่ยพระเจ้าถึงบอก เป็นธรรมที่วิเศษที่สุดยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงการเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของสตินี้เหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงในในป่าครอบงำรอยเท้าทุกสัตว์ทุกชนิดได้หมดสติก็เป็นธรรมที่สาคัญที่สุดสาคัญกว่าธรรมทั้งทั้งปวงถึงแม้ว่าจะไม่ทาให้จิตหลุดพ้นได้ด้วยสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะสร้าง ทำชนิดอื่นขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้ยั้นต้องมีสติก่อนควบคุมตัวควบคุมตัวที่ทําให้ตัวอื่นเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีสติสมาธิไม่เกิดไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีปัญญาก็ไม่หลุดพ้นไม่ดับทุกข์ได้แต่ต้องมีสติเหมือนขับรถเนี่ยถ้าไม่มีกุญแจก็จบใช่ไหมไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว ไปงัดขึ้นอะไรไปทุบกระจกเข้าไปเปิดเข้าไปมันไม่มีกุญแจมันก็ยังเปิดไม่ได้มันก็ยังสตาร์ทเครื่องไม่ได้อยู่ดีอยังต้องมีกุญแจต้องมีสติถ้าอยากจะไปมรรคผลนิพพานต้องสร้างสติขึ้นมาอต่อไปคำถามจากคุณกิตวันนะคะจิตลงเหวเหมือนมีสามขั้นถ้าดิ่งลึกสุดจะวูบไม่รู้สึกตัวจะนั่งได้ทั้งคืนไม่เมื่อยค่ะ แต่ถ้าดิ่งลงไม่ลึกยังรู้สึกตัวอยู่ใจใจสบายสงบมากถูกไหมคะกม็มีหลายระดับของความดิง่งบางทีดิ่งแบบร่างกายหายไปเลยอันนี้ก็จะอยู่ได้นานถ้าอยู่แบบย mm ังรับรู้ร่างกายแต่ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่านานนั้นก็อยู่ที่กำลังของสติที่เราใช้บางวันสติมีกำลังดีมันก็ลงไปได้ลึก มัมาสติไม่ค่อยดีมันก็ลงไม่ค่อยเรยเลยแต่เราก็อย่าไปกุ่นวายกับผลที่เราได้รับก็ให้รู้ว่ามันเป็นผลของการมีสติมากหรือน้อยเท่านั้นเองเราก็พยายามสร้างสติต่อไปให้มากๆขึ้นแล้วต่อไปมันจะได้เด่งลงได้อย่างเต็มที่หมดแล้วเลยถามไปเร่อยๆเล็กสิบนาทีําถามจากคุณพิลง มีเพื่อนที่โตมาด้วยกันผิดศีลกาเมผิดลูกเมียผู้อื่นพยายามเตือนหลายๆครั้งเพราะไม่อยากให้ถล่มลึกแต่ก็ไม่เป็นผลจนบางครั้ง <c oughs> คิดว่าควรปล่อยให้เป็นตามกรรมหรือเปล่าคะถ้าเราห้ามก่อนแล้วเขาไม่สามารถยับยั้งเขาได้ก็เราจะทำยังไงได้นะ่ะก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาคำถามจากคุณนาลิส ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักการนั่งสมาธิก็ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ใช่ไหมครับหรือมีหนทางอื่นที่สามารถบรรลุได้ไหมครับก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาถึงจะบรรลุได้ที่ศีลสมาธิปัญญานี่มันอาจจะไม่มีอยู่ในแต่พระพุทธศาสนาก็ได้แต่สิ่งที่มีในศาสนาอื่นนี่มีอยู่ก็คือศีลกับสมาธินี่ แต่รู้สึกเรื่องปัญญานี้ศาสนาอื่นจะไม่มีเหมือนกับศาสนาพุทธเะฉะนั้นถ้าอยากจะบรรลุจริงๆต้องมีปัญญาของศาสนาพุทธด้วยเพรฉะนั้ในในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญสมัยนั้นเขาก็มีศีลมีสมาธิกันแต่เขาไม่มีปัญญาเขาก็เลยหลุดพ้นกันไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยต้องค้นหาปัญญาด้วยตนเองค้นหาอริยสัจสีด้วยตนเองตอนนั้นที่สุดก็ได้ตัดฉลุในอริยสัจสี ก็เลยทำให้ท่านได้หลุดพ้นได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมายิ่งนต้องมีศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถหลุดพ้นได้คำถามจากคุณวัฒนาปฏิบัติที่บ้านนั่งนานๆปวดหลังมากจึงนอนภาวนาแต่ไม่นานก็ง่วงแล้วหลับทำอย่างไงดีครับให้ทำได้นานๆโดยไม่หลับหรือต้องพึ่งเครื่องดื่มชูกาลังแต่ก็กลัวติดครับ ห้ามใช้สิ่งภายนอกมาแก้ปัญหาภายในต้องพยายามฝึกสติสร้างความเพียรขึ้นมาถ้านั่งแล้วปวดก็เดินไปก่อนเดินให้มีสติมากมากแล้วพอเวลามานั่งสติดีๆนั่งสิบนาทีก็รวมได้เลยที่นั่งนานแล้วไม่สงบเพราะว่าสติไม่ดีพอกาลังไม่มากพองั้นก็ไปฝึกสร้างสติด้วยการเดินจงกรมไปก่อนเดินมากๆให้มีสติมากๆแล้วพอเวลามานั่งนี้ มีสติดีๆห้านาทีสิบนาทีก็รวมได้แล้วพอรวมได้แล้วก็จะนั่งได้นานจะไม่รู้สึกอาการเจ็บปวดของร่างกายแต่ถ้าไม่รวมนี่เดี๋ยวพอนั่งไปสักพักเริ่มปวดแล้วพอปวดแล้วก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ยิง่งถ้ายังนั่งไม่ได้ก็เดินให้มากๆก่อนเดินเป็นชั่วโมงไปเลยพุทโธเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยแล้วพอเรามีสติดีแล้วเรามานั่งดู เดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีก็สงบได้คำถามจากคุณพอพานะครับการนั่งนานทำให้ปวดขาขาชามันสามารถแก้ไขได้ไหมครับถ้าจิตถ้ามีสติดีมันก็จะไม่ปวดถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่รบเรื่องของร่างกายหมดคำถามเข้าพระจันท์ก็ดีอใกล้กเวลาหมดพอดีทางนี้มีใครอยากจะถามอีก ไ, ไหม ไม่มีก็คิดว่าจะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอและขออนุโมทนาผู้ที่ได้ถวายเครื่องไอโฟน 6S เครื่องใหม่ในวันนี้ด้วย ภายในวันสองวันก็คงจะเปิดได้ช n e l YouTube ตอนนี้กำลังรอตัวขยายเสียงต่อไปก็เลือกดูได้ถ้าไม่มี Facebook ก็เข้า YouTube ได้ชื่อพระสุชาติไลฟ์เขาชอิอะไรก็เจอช่องเลยเสดได้ไป subscribe ใน Facebook ได้นะครับชื่อพระสุชาติไลฟ์นะครับ Facebook กับ YouTube หร YouTube ครับ YouTube ยังไงหมอสบายดี ฟังเข้าใจไหมอ่พยายามมาไปฝึกนะฝึกสติให้มากๆ